อนุบัญญัติ511อนนึ่งภิกสุใดรับจีวรจากมือภิกสุนีผู้ไม่ใช่ญาติต้องอาบัณนิตศักยภาจิตตีเว้นไว้แต่แลกเปลี่ยนเรื่องแลกเปลี่ยนจีวรจบ